ตอนที่สามสิเจ้งเศร้าสิ้นหายตัวไปลีชิงพิงข้ากำลังพูดกับเจ้าดีดีรบกวนเจ้าช่วยระวังท่าทางเวลาพูดด้วยโจวเจียนเย่ย ป, ปั้นหน้ายักย้ายพลางตำหนิเสียงเข้มเอะนี่แกกล้าบุกมาถึงบ้านฉันเพื่อสั่งสอนลูกสะาย้ฉันเชียวหรือเจ้าชุนฮวายืนเท้าเอลอยู่ข้างๆก่อนจะเดินตรงเข้าไปหาโจวเจียนเ ย, ย่ด้วยความโมโหใส่หัวไปไม่ว่าแกจะอยากพูดอะไรก็รีบใส่หัวออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้อย่าให้ฉันเห็นหน้าแกอีก คุณแม่ขยอากโกรธเลยขคอยากร า, กาสุขภาพร่างกายไปเสียกับคนพันนี้เลยไม่คุ้มหรอกข้าลีชิงถิงรู้สึกสะอิดสะเอียนที่ได้เห็นหน้าโจวเจี้ยนเย่ยหลังจากเหยยกกันแล้วสิ่งที่นางไม่อยากเห็นที่สุดก็คือเขาเขามักจะคอยตั้งข้อสงสัยในความสามารถของเสียหว่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือในสายตาของเขาลูกสาวคนนี้เป็นคนไม่มีดีเลยสักอย่างหรือยอย่างไรลีชิงถิงชี้ไปที่ประตูพรางและให้โจวเจี้ยนเย่ใส่หัวไปยิ่งไปให้พ้นได้เท่าไหร่ยิ่งดีอย่ามาทำลายชีวิตปกติสุขของนางกับลูกสาวเลยโจวเจี้ยนเย่ยเห ก็ได้หลีชิงพิงหย่าหาว่าข้าไม่เตือนเจ้าก็แล้วกันถึงตอนนั้นพวกเจ้าแม่ลูกจะไปร้องให้ที่ไหนก็ไม่มีใครช่วยหรอกมีแค่ตอนที่อยู่กับแกเท่านั้นและที่เป็นวันเวลาแห่งการร้องให้ต่อไปนี้ข้ากับลูกจะมีแต่รอยยิ้มหลีชิงพิงหัวเราะเสียงดังฮ่หาฮ่าเพื่อยมโมโหโจเจียเยยจเจ้ยนเย่โจเจี้ยนเย่โกรธจนหน้าอกกระเพิ่มขึ้นลงเขาชี้หน้าหลีชิงพิงด้วยมือที่สั่นเทาจนพูดไม่ออกแม้แต่คําเดียวยังไม่ใส่หัวไปอีก เจ้างุนฉงมีสีหน้ามืดมันท่าทางของเขาเหมือนกับว่าหากโจเจียนเย่ยยังไม่ยอมไปเขาจะลงมือจริงๆ จ, จุดประสงค์หลักของโจเจียนเยี่ยในวันนี้คือมาคุยธุระไม่ได้อยากมามีเรื่องทะเลวิวาทในเมื่อคุยกันไม่ลงตัวก็ช่างเถอะเขาอยากจะรอดูนักว่าวันข้างหน้าจุดจบของพวกนางจะน่าเวทนาเพียงใดหลหวันที่อยู่ในห้องคอยสังเกตความเคลื่อนไหวในลานบ้านอยู่ตลอดเวลาตอนนี้แม่ของนางไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังอีกต่อไปแล้วเพราะมีคนคอยปกป้องนางอยู่จึงไม่ต้องกังวลเลยว่านางจะเสียเปรียบ โจจีนเ ย, ย่ไม่เชื่อว่านางจะสอบได้คะแนนดีขนาดนี้เขาเป็นห่วงจริงๆหรือว่าพวกนางจะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องเอะโจเจีนเ ย, ย่ก็แค่รู้สึกว่าพวกนางแม่ลูกหากเทียบกับหลิวเคอเคอแล้วจะต้องมีแต่เรื่องที่สู้ไม่ได้ในทุกๆด้านการที่หลีหวานสอบได้คะแนนดีขนาดนี้โจเจี้นเ ย, ย่จึงไม่ยอมรับว่าสายตาของตัวเองมีปัญหาท้ายที่สุดแล้วผู้ชายคนนี้ก็ทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นเพื่อรักษาศักดิ์ศรีอันน้อยนิดของความเป็นชายของเขาเองก่อนมื้อค้าเจิงเซาซิงยังไม่กลับมา ตอนนี้เขากับเจ้งเศร้าหยางอยู่ในช่วงปิดเทมอมฤดูร้อนปกติแทบจะไม่ติดบ้านเลยตอนเช้ากินข้าวเสร็จก็ออกไปกลับใหม่ทีตอนมื้อเที่ยงพอกินเสร็จก็ออกไปใหม่แล้วค่อยกลับมาตอนมื้อเย็นเล่นจนเหงื่อท่วมตัวผิวพันตากแดดจนดำเกรียมเหมือนลูกบอลดำๆเจ้งางเศร้าหึงเรียนอยู่มัธยมปลายจึงต้องคลั่งเคร่งกับการเรียนเขาพักอยู่ที่หอพักโรงเรียนไม่ค่อยได้กลับบ้านเจ้าชุนฮวารอแล้วรอเล่าก็ยังไม่เห็นเจ้งางเศร้าซิงกลับมาจึงอดไม่ได้ที่จะเร่งถามเจ้ง า, างเศร้าหยางน้องชายละ่ะพวกเจ้าออกไปด้วยกันทําไมไม่กลับมาพร้อมกัน คุณเนี่ยครับพวกเราออกไปด้วยกันก็จริงแต่ผมไปหาเพื่อนของผมเขาไปหาเพื่อนของเขาพวกเราเล่นด้วยกันไม่ได้หรอกครับจึงเศรอย่างเล่นมาทั้งบ่ายจนตอนนี้หิวจนเส้กิ่วเขาจ้องมองอาหารบนโต๊ะตาเป็นมันเขาคงเล่นจนลืมเวลาเดี๋ยวพวกเรากินข้าวกันก่อนแล้วเหลือไว้ให้เขาก็พอไม่ใช่หรือครับกินกินกินวันวันรู้จักแต่กินน้องชายยังไม่กลับมันจะกินอะไรกันเจ้าชุนหัวถลึงตาใส่เขายัางไม่สบอารมณ์แต่พอพูดจบก็นึกขึ้นได้ว่าชิงถิงกับเสียหวานก็ยังไม่ได้กินอะไรจึงยอมอ่อนข้อลง เอาอย่างนี้ไหมพวกเรากินกันก่อนนี่มออยังมีเหลืออยู่คุณแม่ขะมือเที่ยงกินอิ่มมากมื้อเย็นเลยไม่ค่อยหิวพวกเรารออีกหน่อยเธอค่ะหลีชิงผิงยิ้มพลางบอกให้นั่งรอให้ครบคนแล้วค่อยกินพร้อมกันเดี๋ยวฉันออกไปตามหาเองเจ้าหยุนชงรู้สึกว่าการนั่งรออยู่ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องดีพวกเด็กๆมันจะมีที่เล่นประจําและคงไม่ไปไหนไกลาจากเขตใต้อยู่นักเอ๊ะฉันไปด้วยเจ้าชุนฮวาแก้ผ้ากันเปื้อนออกเตรียมจะตามไปหลีชิงผิงเองก็รู้สึกว่านางควรจะออกไปช่วยหาด้วยฉันไปด้วยค่ะ ไม่ต้องรอพวกเจ้ารออยู่ที่นี่กินข้าวกันไปก่อนเจ้าชุนหัวโบกมือปฏิเสธเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ทําไมต้องทําเป็นเรื่องใหญ่โตด้วยคุณแม่คะคนเยอะจะได้หาเจอไวๆค่ะลีชิงพิงยืนกรานจะไปท่านผู้เฒ่าเจิงจึงอยู่รอที่บ้านเพื่ออยู่เป็นเพื่อนเด็กๆทั้งสองคนพวกเขาออกไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังไม่กลับมาท่านผู้เฒ่าเจิงเริ่มพึพรรมพำกับตัวเองนานขนาดนี้แล้วยังหาคนไม่เจออีกหรือเอาอย่างนี้เสียหวานพวกเราไม่ต้องรอแล้วกินข้าวกันก่อนเถอะ คุณปู่ครับทำไมไม่บอกให้เร็วกว่านี้ล่ะเมื่อกี้พวกเราควรจะกินข้าวกันได้แล้วผมหิวจะตายอยู่แล้วครับเจิ้งเซาหยางรีบค้าตะเกียบพุ้ยข้าวเข้าปากอย่างรวดเร็วต่อให้อาหารจะยินชืดก็ไม่เป็นรายการทำให้อิ่มท้องคือเรื่องสำคัญที่สุดหลี่หว่านนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมดวงตามหม่นแสงลงนานขนาดนี้ยังไม่กลับมาแสดงว่าต้องเกิดเรื่องขึ้นแน่ๆน่นางมองออกไปที่ลานบ้านด้วยความไม่สบายใจตอนนี้ท้องฟ้ามืดสนิทแล้วเจิ้งเซาสิงหายไปอยู่ที่ไหนกันแน่คุณปู่ขนูขอออกไปช่วยหาด้วยคนคะ่ะ พ่อหลีหวนันพูดจบท่านผู้เทาเจิงก็ขัดขานไม่ให้นางออกไปอย่างเด็ดขาดเวลานี้เด็กสาวไม่ควรออกจากบ้านไปไหนมาไหนเพียงลำพังเสี่ยววันเด็กดีปู่รู้ว่าเจ้าเป็นห่วงเศ้าซิงแต่พวกเรารอฟังข่าวอยู่ที่บ้านก่อนเถอะเขาคงเล่นจนลืมเวลาจริงๆนั่นแหละท่านผู้เทาเจิงพูดต่อถ้าอีสักพักพวกเขายังไม่กลับมาปู่จะพาเจ้าออกไปดูเองว่าเกิดอะไรขึ้นตกลงไหมหลีหวาน ผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงเจิ้งเศร้าอย่างกินข้าวเสร็จแล้วเขาลูกท้องที่กลมป่องพางเดินกลับห้องไปนอนโดยไม่ได้แสดงท่าทีเป็นห่วงน้องชายเลยแม้แต่น้อยท่านผู้เฒ่าเจิ้งหันไปมองหลี่วันเด็กสาวนั่งอยู่ตรงนั้นโดยไม่ได้แต่ต้องอาหารเลยสักคําใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลใจในใจอดไม่ได้ที่จะทอดถอนใจว่านี่แหละคือความแตกต่างระหว่างเด็กชายกับเด็กหญิงจิตใจของเด็กสาวนั้นละเอียดอ่อนกว่านางมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่ส่วนเจิ้งเศร้าอย่างนั้นไร้หัวจิตหัวใจจริงๆถึงขนาดมีอารมณ์ไปนอนหลับได้ คุณปู่คะพวกเราออกไปดูหน่อยเถอะค่ะหลีหวันพูดขึ้นอีกครั้งการนั่งรอยอยู่เฉยๆแบบนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะเราไม่รู้อะไรเลยสักอย่างครั้งนี้ท่านผู้เท่าเจิงพยักหน้าเห็นด้วยตกลงเดี๋ยวปู่ไปหยิบไฟฉายมาสองกระบอกแล้วพวกเราออกไปกันเจิงหยุนชมกับคนอื่นๆใช้เวลาตามหาเศร้าซิงมานานถึงสองชั่วโมงแล้วทั้งสถานที่ที่เด็กๆชอบไปบ้านเพื่อนของเศร้าซิงพวกเขาหาจนทั่วแตก็ยังไม่มีวี่แววเลย ตอนนี้เจิงหยุนชงได้ขอความช่วยเหลือจากคนรู้จักในเขตทหารใต้หยวนยให้ช่วยกันตามหาตอนนี้กําลังหาอยู่ภายในเขตทหารหากยังไม่เจออีกก็คงต้องขยายขอบเขตการค้นหาออกไปการหาคนในตอนกลางคืนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันไม่ต่างจากการง ม, มเข็มในมหาสมุทรเมื่อท่านผูเท่เาเจิงทราบสถานการณ์ก็ตัดสินใจร่วมค้นหาทันทีแต่เขาไม่ยอมให้หลีหวานไปด้วยเสี่ยวหวานเจ้าเชื่อฟังปู่ณทางนี้ยังไม่รู้ว่าจะต้องหาไปถึงเมื่อไหร่เจ้ากลับบ้านไปนอนก่อนเถอะ คุณปู่คะหาคนให้เจอก่อนเถอะข้หนูเองก็ช่วยหาได้นะคะหลีวันแกว่งไฟฉายในมือไปมาไม่ได้เจ้ายัางเด็กนักถ้าเกิดเจ้าหลงทางไปอีกคนจะทําอย่างไรรีบกลับไปเถอดเชื่อฟังปู่ท่านภูเทาเจิงผู้จบเขาก็ถือไฟฉายไปรวมกลุ่มกับคนอื่นๆเพื่อค้นหาตามซอกมุมต่างๆอย่างไม่ลดละเวลานี้ในเขตต้หยวนเปิดไฟสว่างสวัยหลีวันเดินกลับบ้านเองย่อมปลอดภัยนางไปเองได้ไม่อย่างนั้นท่านภูเทาเจิงคงไม่วางใจปล่อยให้เด็กผู้หญิงเดินกลับคนเดียวแน่ หลหวันลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่นางไม่ได้เดินกลับตามทางเดิมนางเองก็มีความคิดที่จะลองตาหาเจิ้งเศร้าสิงดูด้วยตัวเองเช่นกัน